พ่อเป็นผู้พู ด, พดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังไม่ไสอนให้ท่านนะรู้นะควารว้ท่านมีอยู่แล้วหลายคนที่จบสูงสงมาจนเป็นเจ้าที่รัฐบาลการนําไปสอนแบบนั้น นี่สอนให้ท่านทำลงไปทำต่อไหนทำต่อหน้าต่อตามันถ้ามันหลงหรู้สึกตัวถ้ามันไม่มีอะไรมันอยู่ร่อยๆก็อสร้างความรู้สึกตัวทำใันมันมีขึ้นมาความรู้สึกตัวเนี่ยเรียกว่าสติภาษาบาลาีเราว่ารู้สึกตัว อะไรที่ทำมาอยู่ก็ให้ระลึกได้ระลึกได้รู้สึกตัวเรียกว่าสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดถ้าเราพาดตรงนี้แล้วก็พาดไปอีกหลายๆอย่างชีวิตเราต้อง ผิดต้องถูกอยู่ตรงนี้แหละถ้าผิดได้ถูกก็ไม่อยู่ที่ไหนละ่ะอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเราหัว อ, อกกันเดียวกันพวกเรานะี่ะจะเป็นเพศใดภาวะใดระทีใดไม่กายใดเหมือนกันหมดอยู่นี่ก็มีไต้วันมีญี่ปุ่นเหมือนกัน มีปัญหาอยู่ที่กายที่ใจแต่แก่ปัญหาก็แก่ที่กายที่ใจนี่ถ้าจะแก้มันยังแก้ไม่ได้ต้องให้ทำให้มันไม่ได้แก้จริงจะแก้ได้แล้วมันทำได้ด้วยกายใจเนี่ยไม่เหมือนอันเดือดอันเดืนต้องแก้ต้องขยิถ้าเจ็บไค่ได้ป่วย ต้องแก้ไขต้องอรักษาถ้าไม่รักษามันก็ไปไกลก็ ห, หายตายไปแน่นอนที่สุดชีวิตเราคือสัจธรรมแก่เจ็บตายเหมือ น, นกันหมดเป็นสัจธรรมของชีวิตเราเราจะต้องยอมให้มันแก่มันเจ็บ ม, มันตาย ไปเฉยๆต่อหน้าต่อตาเราถ้าเราศึกษาเรื่องสติสัมชัญญาเนี่ยมันจะอยู่เหนือกันแก่การเจ็บการตายได้เอาหลายชีวิตของเราเนี่ยมันมาเหมือนกันอยู่ที่นี่แล้วเหมือนกันมายืนอยู่ที่นี่มานั่งอยู่ที่นี่นักลัมาอยู่ในทางสี่เพ่ง ด้โชคดีที่เราได้กายได้ใจมาได้มีจิตวิญญาณที่รู้อะไรได้ขอบคุณถ้าเป็นสัตว์เดีัฉานถ้าเป็นอะไรไปก็ไม่มีทางที่จะศึกษาให้คุ้มค่าชีวิตเราได้เราจึงมาศึกษาเนี่ยทางสีเพ่งอะไร ทางสี่แพื่ก็คือไปสุรกายอาบายภูมิสวรรค์นิพพานนนุ์อาบายภูมิสวรรค์นิพพานเราจะไปทางไหนกันปรกรณ์ก็ไม่แก้ไขตรงนี้ไปอาบายภูมิมากที่สุดเขาพูดว่า คนเราเนี่ยไปสู่อาบายเหมือนเท่ากักบขนของโคไปสู่สวรรค์ในพานเท่ากับเขาของโคสังเกตเราดูดีจะเหมือนเขาว่าไหมว <c oughs> ันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราอยู่กับความหลงหรือว่าอยู่กับความรู้คอยวันสุขทุกทุกอยู่วันทุกก็หลงสุขก็หลง เหนือสุขเหนือทุกข์มันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดชีวิตเราค้าเราอยู่ตรงนีน้ถ้าจะเป็นมนุษย์ก็ให้เหนือขึ้นมาสักหน่อยอย่าต้องรับใช้ทุกสิ่งทุก อ, อย่างเลยมันหลงก็รับใช้ความหลงมันทุกข์ก็รับใช้ความทุกข์มันสุขก็รับใช้ความสุข มันพอใจมันไม่พอใจก็รับใช่ความพอใจไม่พอใจอะไรเป็นดิจฉะของเราต้องเป็นมนุษย์เสียก่อนมนุษย์คือใจสูงขึ้นมาสูงกว่าสิ่งเหล่านี้เหนือความพอใจเหนือความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจมันเป็นอสมมติบัญญัติไม่ใช่ปรมัติตจัจร เล้วเกิดเนี่ยการเกิดเนี่ยอันเกิดแบบนี้อีกแบบหนึ่งนะ่แต่การเกิดที่เราได้กายได้ใจมาอันนี้มันเกิดมาแล้วได้สมบัติแล้วที่จะต้องมาทำงานอันนี้ให้ใหสำเร็จแต่ว่าเกิดนนะ่งเกิดสมมติวัญหััิขึ้นมาที่มัน มีเหตุเปปัจจัยเหตุเราโกรธเนี่ยมันต้องมีเหตุเปปัจจัยมันเกิดโกรธมันพบอันหนึ่งแล้วเกิดโกรธถ้าเป็นพบก็บเป็นดมวายยูมไปแล้วเกิดทุกข์ไปนะเป็นพบอันหนึ่งเกิดสุขก็เป็นพบอันหนึ่งเรีว่ามันเกิดขึ้นมาเกิดตอนนี่มันเกิดตับเกิดตับของนามลูก ไม่ใช่รูปนามรูปนามมันเกิดทีเดียวมันตายทีเดียวแต่ ว, ว่าการเกิดที่เป็นเกิดแบบสมมูิบัญญัติ่ะมันกี่พบจีชาติไม่รู้หรอกจากที่พระพุทธเจ้าได้สอนพวกเร า, าแต่ก่อนเราไม่มีสติไม่มีสัมผัสัญญะเราได้เล่นท่องเที่ยวเปนสงสารเป็นอาเนกชาตินับไม่ถ้วนสงสารคือนับไม่ถ้วนนับไม่ไหว ดีใจเสียใจเป็นลักเป็นชังเป็นุ่มบ้ายค่มดีผู้ผู้แบบแพรบแพร่นไปนอนอยู่ในบ้านก็ ไ, ได้อยู่ในบ้านที่ทางานก็ไปอยู่ที่ทางานมีครอบมีภ ว, วมิผัวเมียก็ไม่ไม่ไดเอามาเป็นกนรยาณมิตรเอามาเป็นสมมุติบัญญิเรียกร้องอะไรต่างๆเอามาเป็นกนรารัานมิตรช่วยเหลือกัน มันจะเกี่ยวถูกเช่นสามีเราโกรธเราต้องช่วยสามีเราภรรยาเราโกรธต้องช่วยภรรยาเราลูกเราโกรธต้องช่วยลูกเราเราโกรธก็ต้องช่วยตัวเรามันโกรธึี่มันเป็นทุกข์แล้วมันหลงแล้วถ้าไม่หลงมันไม่โกรธต้องช่วยกันเอะถ้าช่วยกันใน ห, หายโกรธหายทุกข์น่าได้บุญแล้วทําความร้ายเป็นความดีเพราะเรา หน้าที่ของเราโดยตรงพ่อแม่ลูกเต้าสามีปัญญาพี่น้องกันมนุษย์เราทุกคน่ะต้องช่วยกันตรงในบงังไม่ใช่ไปช่วยราบถล่มไปช่วยไปไหมไปช่วยอะไรนะ่ะอันเป็นส่วนหนึ่งเป็นโดยตรงแล้วเป็นหน้าที่ของเราหลส่วนที่เป็นความจําเป็นน่ะถ้ามันทุกถ้าสามีเราทุกต้องช่วยสามีเราไม่ให้ทุกถ้า ปัญญาเราทุกก็ช่วยปัญญาเราไม่ให้มีถูกใครก็ตามมาช่วยกันนะให้มีฝีมือให้มีการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นให้มากมากส่วนมากเราไม่ช่วยตรงนี้กันถ้าโกรธมากโกรธตกเหมือนกับตกมือสองข้างถ้าเขากดมาแล้วไม่โกรธตกมันก็ตกมือข้างเดียวมันไปไม่ได้ ให้มีความดังเกิดขึ้นมันก็เป็นคุณธรรมคุณภาพเป็นการสอนสอนเราและสอนผู้ที่โกรธด้วยหัวใจของเขาจะอยู่ในตัวเราหัวใจของเราจะอยู่ในตัวเขาเพราะว่าเห็นคุณธรรมเกิดขึ้นเจเรานี่ต้องจําเป็นเหมือนกันเราจง มามาลู่เรื่องนี้กันเอามาเอาตัวเองก่อนศึกษาตัวเองก่อนมามีสติมามีสัมผัสจัญญาจะให้มันเกิดให้มันคงกาเนิดการเกิดที่เป็นอุปทานที่เป็นเกิดเป็นสมมูรณปัญญัิควบคุมเนิดสติสัมผัสัญญาควบคุมเนิดของการเกิดที่เป็นสมบติบัญญัดที่เป็นอุปทาน ยึดมัน่นเถือมัน่นสำคัญมั่นหมายถ้ากูได้โกรธตายกูไม่ลืมถ้ากูได้โกรธกูไม่ดา่ามันกูไม่ยอมหรือบางวันถ้ากูได้โกรธกูไม่ฆ่ามันกูไม่ยอมอุปทานเกิดขึ้นมันเกิดไม่เช่าอย่างดีเลยเอา้าสายมาทะเาาลาะ ก, กันแล้วแต่เราสักทีไม่มั่นใจตัวเองมีใจก็ไม่มั่นใจตัวเองเอาใจไปรองรับกับ ปัญหาต่างๆรับใช้ปัญหารับใช้ความเลวร้ายมากที่สุดถ้าความเลวร้ายจำใส่ใจกูไม่ลืมกูไม่ลืมถ้าความดีเนี่ยแทนที่จะมีอะไรหัวใจเราไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่อันนี้มันก็ผิดแหละลงหัดต์ตรงในการ จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีมเปลี่ยนความผิดเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนความหลงของมโกรธเป็นความรู้สึกตัวลองรูสิไม่ได้พูดแล้วท่านจะเป็นท่านต้องไปหัดท่านต้องไปฝึกหัดอยู่ที่ไหนกาอยู่ที่ น, นั่นใจอยู่ที่ น, นั่นเดี๋ยวนี้เราใช่กาย เราใช่ใจหรือว่าใจมันใช่เราถ้ามันใช่เราก็กลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดไรแบบอ่าไม่ได้อยู่กับตัวเราไม่ได้พึ่งมันสักหน่อยคอยเอามาลงโทษตัวเราหะความอะไรที่มันปกติไม่มีชีวิตเรา พึ่งไม่ได้พึ่งกีดพึ่งใจไม่ได้แล้วไปพึ่งอะไรไปพึ่งอุปาทานยึดมัน่นสําคัญมันหมายเช่นกายเราเนี่ยอย่างที่เราทําหนกย็ย้านปัญญาสติปัฏ ฐ, ฐานกายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ตคนตัวตนเราเขาพระพุทธเจ้าฉเฉลยว่าอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยเห็นเราก็ไม่ค่อยรู้แจ้งเอาจริงจแล้วอันตรอมไม่ใช่เราเนี่ยมันพึ่งได้ กายนะ่ยถ้าคึกว่าเราอยู่หรอกมันเพิ่งไม่ได้หรอกมีแต่จะลงโทษเราเรูู้ซิถ้าว่ากับเราเราล่อนเราหนาวเราหิวเราปวดเราเมื่อยเราเสียเปียบเราได้เปรียบเราแพ้เราชนะอะมีแต่ถูกเท่านั้นนะถ้าไม่มีกายที่มีตัวมีตนในกายเป็นไม่ใช่เราเป็นแต่ธรรมชาติเป็นนาการที่เกิดขึ้นกับกาย อยูงกิดมันก็เจ็บมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมกายเนี่ะมันไม่ปฏิเสธได้มีดวงอาทิตย์มีก้อนเมฆมีฝนมีแดดมีลมมีอะไรเยอะๆมีโยงมีงูมีอะไรสารพัดอย่งอางแล้๋ยวก็เป็นก้อนทุกข์อันหนึ่งของกายของรูปของกายเนี่ยเป็นก้อนทุกข์อันหนึ่งต้องช่วยเหลืออยู่ตลอดเหรอ หายใจก็หายใจเข้าถ้าไม่ออกมันก็ทุกข์หายใจออกถ้ามันไม่เข้าก็ทุกข์มันเป็นค้อทุกข์ันหนึ่นาสงสารน่าสงสารกายนี้แล้วก็ลูกแจ้งว่าโอ้ยมันไม่ใช่เรามันเป็นอาการของกายที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของเขาถึงเขาที่มันเป็นไปเราก็รู้แล้วไม่เอาไปยืดมั่นถือมันไปไม่ ที่ตกกังวลเศร้หมองพ่อกายเรารู้แล้วตั้งแต่อยู่วัดป่าสุกุตโตนู้นได้หัดตั้งต้นน้นหลวงพ่อก็ได้พูดสอนเดีวยวมารู้แล้วตั้งแต่ปีสอง0ัน้ยสบน้นอยู่วัดป่าพริญาณหลวงพ่อที่อนสอนนู้นยังใช้อยู่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยอันเห็นที่ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันพึ่งได้ เอาไม่เอามาเป็นทุกข์เลยเอามาเป็นเครื่องหลุดพ้นเรามาเป็นมรรคเป็นผลเพราะความไม่เที่ยงในแหละไม่เชื่อมาเป็นตัวทุกข์คนทั้งหลายก็มาเป็นทุกข์กันเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์เอาความไม่ใช่ตัวตนมาเป็นทุกข์เชื่อเปรียบมันทั้งทั้งที่มันเป็นของมันเองนั่นเป็นอาการของเขาเองเพราะนั่นแ่ละความไม่เที่ยงเนี่ยมันใช่ได้จริงๆลองเลยจี ใ ห, หบบให้เห็นแบบแยบคายเห็นแบบแจ้งชัดเรียกว่าวิปัจฉนาวิปัจฉนาเห็นแจ้งเห็นแจ้งแบบนี้ไม่มีคําถามพี่จะคําตอบเองตัวเราต้องตอบเองพวกเราจึงศึกษาเรื่องนี้กันไม่มีการสอนอธิบายให้เอาสมองเอาเหตุเอาผล ไม่มีเหตุผลนั้นได้เอามาเห็นของจริงมันหลงที่ใดรู้ใครหลงเราหลงเองเรารู้จึกก็เรารู้เองไม่ต้องไปถามใครนี่มหัดตรงนี้กันแล้วจาเป็นต้องเป็นส่วนตัวส่วนตัวไม่พึ่งบาใสกันได้เลยเราจะไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้เราต้องมาอยู่ตรงนี้กันต้นโตของชีวิตมันอยู่ตรงนี้กัน เราจึงมาเอาต้นของมันจริงๆมันจะไปจาไหนกันนถ้าจะเป็นบัาเป็นผลก็เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสวรรค์ในพันก็เดี๋ยวนี้ถ้าจะปิดประตูไว้ผมก็ปิดเดี๋ยวนี้นี่คือของจริงเราไม่พูดเอาใจไข่เราพูดความเป็นจริงของชีวิตเราแท้ๆเหมือนกันหมดของจริงต้องเหมือนกันหมด ความรู้จักตัวลองมีดูสิเมื่อมีความรู้จักตัวมันเห็นความหลงความหลงกับความรู้จักตัวต่างกันไหมต่างกันอะไรมันถูกต้องชอบทำความหลงมันชอบทำไหมนั่นไปทางไหนความหลงไปเป็นกิเลส ต, ตนาราคะโทสะโมหะความหลงไปไกลเหลือเกินเป็นพพเป็นชาติลายพบพลอยชาติไปฮนะ ถ้ารู้จึกตัวอา้าวเกิดเป็นมรดุแล้วใจสูงแล้วไม่หลงไม่ทุกข์ไม่อะไรแล้วสูงขึ้นไปหน่อยหนังแต่ก่อนความหลงความทุกข์ความโกรธความลิกความจังทับถมโยมจำนวนต่อสิ่งเหล่านั้นมากที่สุดเลยถ้ามันโกรธที่ใดก็จำนวนเลยสองวันสามวันหน้าโกรหน้าเบิ่อตึงเคียดยเดียวไม่รู้จัก ยังเอาอ่ะยังเอาพอใจที่จะโกรธไม่มีใครไม่พอใจที่ไม่โกรธระวังนะกูจะโกรธตายกูไม่ลืมนะพอใจที่จะโกรธแน่นว่าพิการนี่ก็โกรธได้ใช่ไหอไม่เลือกหน้ากันก็โกรธถูกตุ๊กตุกเหมือนกันเป็นพระก็โกรธได้เป็นชีก็โกรธได้ใครก็โกรธได้ถ้าไม่เอาตรงนี้ถ้าเอาตรงนี้ก็เหมือนกันหมด อ้าพระก็เอาตรงนี้เม้นก็ตรงนี้ไม่ขีเอาตรงนี้ว่าจักรวาลิกาเอาตรงนี้ชาติใดภาษาใดเอาตรงนี้ทั้งนั้นหยุดตรงนี้เห็นตรงนี้กันนี่อยากร้องดันๆกันเรื่องนี้ไม่เคยดัง <laughs> นะตะโกนบอกใครต่อใครนะมมันเห็นแล้วพวกก็สอนเนี่ยกาพย์จารย์ภาษานก็อยู่นี่กันมาก นานเหลือเกินคนยังทุกยังเดือดร้อนยังโกรธยังทะเลาะวิวาดกันยังคิดเล่ายังสุบูรีอ้าวันก็ทำไมมันไปนอย่างนี้เนาะคนเราโดยเฉพวะคนเหล่านี่แหละมุ่งตรงนี้กันเอาตรงนี้กันสอนกันตรงนี้ชวนกันตรงนี้ จับมือจับแขนกันหัวใจหัวอกกันเดียวกันไปช่วยกันตรงนี้หลายหลายคนที่ช่วยกันหลายคนที่ช่วยกันเป็นกัญญาณมิตรกันช่วยเหลือกันให้เป็นยังไม่บรรลุธรรมก็ได้ต่างช่วยกันตรงนี้ก่อนลองดูสิแล้วก็ดูนะเรารู้ แต่คนที่ช่วยคนอื่นก็ทุกช่วยตวนนีให้เห็นก่อนเราทำได้ไงเราสอนคนเดียงนั้น อ, อันถ้าเป็นอย่างนี้เราเหมือนกันหมดการปฏิบัติธรรมเจริญจิตให้มากลองดูเมื่อมีสติมากความหลงก็น้อยลงเหมือนกับดวงอาทิตย์ก็เกิดสสงสว่างทั่วโลก ถ้าเป็นดวงดาวก็สว่าง น, น้อยน้อยถ้าเป็นแสงทูปแสงเทียนก็จสว่าง น, น้อยน้อยถ้าเป็นแสงอนีนออนก็สว่างมากแต่ไม่มากนะเบิ้งกะจีเป็นเหล่าเด้แล้วคมรู้จักตัวเนี่ยเป็นแสงสว่างสว่างทั้งกลางเวรทว่างทั้งกลางคืนไม่เหมือนแสงอกะจีไม่เหมือนดวงจันทร์ ใหเหมือนเสีงทูบเสียงเทียนคือความรู้สึกตัวนะสว่างสวยเห็นจริงๆเห็นความไม่เที่ยงเห็นจริงๆหลอกไม่ได้เห็นความไม่ทุกเห็นจริงๆเห็นนะไม่ใช่เข้าไปเป็นถ้าเห็นแล้วหลุดพ้นได้เช่นถามใครต่อใรเราเป็นผู้ทุกหรือว่าเห็นมันทุก ถ้าเราเป็นผู้ทุกข์มันก็หมดตัวแล้วเจ๊ยากถ้าเห็นมันทุกข์เนี่ยโอ้ยง่ายเป็นผู้โกรธแล้วเห็นมันโกรธ <c oughs> นะเป็นผู้โกรธแล้วเห็นมันโกรธถ้าเห็นมันโกรธเนี่ยง่ายถ้าให้เป็นผู้โกรธเรายากซะหน่อยอยู่ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมต้องด่ากันได้ต้องทะเลาะกันได้ ถ้าเป็นผู้โกนแล้วอะไรก็ตามอยากเข้าไปเป็นกับมัน ง, ง่ายเกินไปดูมันสติแจ่มชันยะมันเป็นดวงตาภายในของเราไม่เป็นดวงตาภายในของเรามันหลอกตัวเองไม่ได้กบเกินตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีดวงตาตัวนี้แล้วมันหลอกก็เด่นก็ได้หลอกก็เด่นก็ได้หลอกตัวเองก็ได้ อสี้ยงง่ายหมดเลยถ้าเป็นดนงตาไปาในไม่แต่คิดมันก็อายตัวเองคิดชั่วคิดไปดีมันอายตัวเองมันไม่กล้าคิดถ้ามีสติมันก็เป็นศีลแล้วถ้ามีสติมันก็ละความชั่วถ้ามีสติมันก็ทําความดีถ้ามีสติจิตใจมันก็สะอาดขึ้นไม่เปิดไม่เพื่อนเพราะมันเห็นอยู่ มันจะไปเปิดเพื่อนได้ไงถ้าเราไม่เห็นเราเปิดเพื่อนนะเปิดเพืเ่อนมันเก็บข้อมูลอะไรไว้ในนี่ยเราเรียกว่าอารมณ์บางทีก็เป็นโทสะจริตเป็นโมหจริตเป็นลาข้าจริตใบก็มีอ่าบางคน่ะแต่ถ้าเราฝึกมันเป็นพุทธจริตลู่ตื่นเบิกบานดีเสมออ่า ตเองก็พึ่งตัวเองได้คนอื่นก็พึ่งได้เห็นหน้าเห็นตาก็อยากเข้าไปใกล้คนใจดีถ้าคนใจร้ายเห็นหน้าเห็นตาก็โอ๊ยอยากหลบไกล้ๆเหล็กช้างสิบบาทเหล็กคนบ้าร้อยเส้นอยากไปปน น, นันนะไม่มีใครอยากเข้าใกล้คนที่โกธเพราะนั้นเนาะพึ่งได้จริงๆความใจที่มันดีน่ะคนใจร้ายมันพึ่งไม่ได้หรอก พี่เจร้งโทษเรารงโทษคนอื่นวบาดีคนเหนือ่อาถูกลูกหลงไปด้วยนะไม่ใช่คนหรอสิ่งของต่างๆอย่างคนเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านน้องเพื่อนไปโมโรกินเหล้ากลับมาบ้านขับรถเฉบล่อไปกินเหล้ากลับมาบ้านนะ เบบแต่เรียกเมียให้มาเปิดประตูบ้านเมียก็ไม่ค่อยชอบอันผัวไปเจินเล่ากังเข้ามาเกินนหะนก็นอนหลับมาไม่ได้มาเบบแต่พอเห็นเมียไม่มาขับรถสิบล้อชนเสาบ้านชดใ ส, นน ส, นนสไปเลยร้ายไหมนะร้ายไหความขุ่นเสาบ้านลราของใครละ่ะของเราเต้องไปซ่อมบ้านหมดมันเป็นมัน โอ้ยความโกรธนี่ยไฟโทสะง่ายชนวนลามเลือกสวนไล่นาแล่วัวควายอันไฟธรรมดาเนี่ยมันไม่แต่ของที่มันไม่ได้ไอ้ความโกรความโกรธะอ้ยมันไล่สุดเลยหมดไล่หมดนาหมดทุกอย่างงดตัวด้วยนะเอาพวกเรามันไม่ยิ่งใหญ่มันไม่ ฉลาดอะไรเรความกดความหลบก็ไม่ฉลาดอะไรมันงงงูดอกความรู้สึกตัวฉลาดกลัวเห็นง่ายเห็นไหมเห็นความกดไหมถ้าเวลามันโกรธถ้าเห็นมนาะไปท่งกระจกดูนะมันเป็นคนยังไงฮะถ้ามันโกรธรไปท่งกระจกดูโอ้ยมันไม่ใช่เราเนยะมันยักกันนะยักนะ ไม่ใช่มนุษย์แล้วมนุษย์ต้องเยี่ยมเยี่มยมแมใส่งานนั่ น, น, นโอ้ยมันน่ากันขนาดน่นาความทุกข์ความโกรธความวิตกตกักววกววกววงวล่นจะมันทําลายเรามันกัดตอดตัวเราเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาจริงเราแน่ไหมแล้วใครทบให้เราเขาเนื่องกระทั่งไม่กันได้แล้วเราเราักษาตัวเราเรามีที่หลักของเราโดยเพราะจิตใจเนะี่ย หลักของจิตคือปกติปกติคือบ้านของจิตใจถ้าเป็นแรงพัดถิ่นไปคิดไ ป, ปนอนเหรอเรื ม, มาคิดคิดไปฝันไปไม่มีไม่มีบ้านแล้วแต่ว่าจิตใจไม่ไปบ้านอยู่ลเลื่อนลอยอาพปอพจนไปบ้านบ้านของจิตคือปกติบ้านของกายคืออย่างเนี้ยอย่างเนี้ยนะ บ้านของกายสุบ้านของกิดไม่ไล้หรอกบ้านของกายสุดโจมเนี่ยนี่ลังนี่ก็ทําใหม่ขั้นที่สามไงขั้นที่หนึ่งก็อยู่โน่นขั้นที่สองมาซ่อมใหม่ที่อ่าวิธียันตุมทําใหม่ขั้นที่สามแล้วบ้านของกายแต่บ้านใจ ท, ทําทีเดียวฮะร้อยวันปันปีเลยเอาไม้โพลเราพึ่งได้ตัวไหนพึ่งได้จริง อัตหิอัตโนนาโถต้นนี่แหละเป็นทีน่พึ่งของตนพึ่งต้นนี่พึ่งความไม่เป็นอะไรนะเห็นแก้งทุกอย่างในกายในใจเราเอวอร์ปารสโกโตอาจารย์ไบสาใบเจ้าวาดที่นี่พวกเราก็รบท่านหลวงพ่อก็อยู่ช่วยกันอยู่เนี่ยสอนกันอยู่เนี่ยสอนกันอยู่างนี้นก็ ยินดีอันุโมทนากับพวกเราจังหวัดเลยแม่นว่หลวงพ่อก็อยู่จังหวัดเลยเป็นแล้วอยู่อยู่พุทธยานเห็นไว้พุทธยานว่ากำเนิดเทตนะอันและวัดหลวงพอ่อน่ะพุทธยานหลวงพ่อทำเบงแต่ก็มันอยู่ราชพัตนนะพุทธยานนะพอดีราชพัฒนเขาอยากได้อชาวบ้านก็เลยยกมาบ้านกำเกิด หลวงพ่อเป็นคนบุกเบกเสียดายชื่อวันพุทธยานถ้าพุทธยานเนี่ยไม่เยอะไม่ได้ย่านมาอยู่ที่ดั่นหลวงพ่อคงไม่หนีไปไหนมันมีผูกพันกันในชีวิตจริงๆพุทธยานนะอยู่พ้นแล้วหลวงพ่อที่ก่อนที่บ้านกำเนิดเทนแล้วไปไปเข้าไปีบั่นนะอยู่น้นนะนะ พี่น้องกันเราเนาะไม่ใครที่นหนเราเป็นญาติกันมาติดนานแล้วเพิ่งมาเห็นหน้ากันนะให้ถือว่าบ้านเรานะที่นี่นะบ้านเราคอ้อาอาจารย์ไปสารพากลับครับ